แนหลวงพ่เทียนเนี่ยรับสั้น ต, ะ ต, ะตนัดรงอืมก็คนที่มีปัญญาคนที่เข้าใจหลักการเนี่ยเขาก็จะสนใจนะคนที่เป็นสนใจแนวของพระอาจารย์ป่าโมทมก็ต้องอันมากสนใจหลวงพ่เทียนอยู่ทีนะเพราะมันใกล้เคียงกันคนที่มีปัญญาสักหน่อยการปฏิบัติหลวงพ่เทียนว่าโอ้ยทําแค่นี้เองเหรอเนี่ยเขาบอกมมการเป็นการเป็นแบแบต้องเกร็งต้องเพ่งต้องอะไรต้องนี่คือปฏิบัติของแท้ฮ <laughs> การอย่างอื่นมันไม่ใช่อย่างนี้มันไม่เท่ไม่อะไรว่าหลักการเดียวกันไม่ทิ้งหลักการเดินโซวิธีการนั้นก็อ๋อใครถนัดแบบไหนก็ถนัดแต่ก็มป็นสูหลักการคือรู้สึกตัวอย่าให้รู้สึกตัวในความหลงที่ื่นเนหลงไม่ได้หลงผิดเราหลงวเตถุนบอกหลงได้แล้วหลงก็ต้องการมารู้ให้ด้วยนะรู้ด้วยฝึกหลายแนวอ่ะดีนะ ในดูชั่าหลักการอะไรที่มันอะไรที่มันตรงกับหลักการนะหลักการของธรรมะที่ว่าสติปัฏฐานสดูกายดูเวทนาดูความคิดดูจิตดูใจกระสังแสวงหาไมงั้เราจะเชื่อแค่คนเดียวไม่ได้มันมีอะไรเตียเตี้ยเว่าเราจะเด็ดเราตรงอันไหนอันไหนทำแล้วสติเรามันดีโออันนี้แหละอันนี้แหละ พอมีระเกียบเทียบไปได้เห็นเลยว่าใส่หลวงพอเทียใส่หงพอังเขียดยิงงชัดขึ้นนะอไม่ม้นก็จะไม่ชัดเท่าที่กวร น, นยก็ก็จะใช่ครับจำตอนอทำบังคให้จะรู้สึกก่เนี่ยจะมีข้อสงสัย แ, แต่พอพ อ, อ, อ, อ, อ, อไปเจอแหวนีน้ก็อ๋อจริงแนวของหเกียนหลวงพอขังเขียดนตรงนี้เราไปเจอแนวควรกานะเาเคยไปยังควกา S <S ไปเพง่งเวทนากันแล้วก่อนก็ได้พงดูผ่านวิธีผ่านรู้ทุกเวทนาโอ้โหนั้ น, นเนี่เข้มข้นมากตรงนั้นนะอีกก็ยังพอรับได้เนียแต่ที่รับไม่ได้คือว่าเราไปกันสามคนน่าคุยอ่ะเนี่ย <S <S 2> <S 2> เขาบอกว่าต้องทําเป็นไม่รู้จักกันเออไม่มองหน้ากันด้วยหน้าแล้วก็ไม่ ท, ยยทักไหยกันซึ่งเรารู้สึกว่ามันมันฝืนมันฝืนความรู้สึกอ่ะเออไม่ให้คุยกันเนี่ยโอเคคแต่ว่าทําเป็นไม่รู้จักกันด้วยอ่ะมีความรู้สึก ย, ย, ยิ้มให้กันก็ไม่ได้ไงแล้วพอดีวันนั้นที่ไปเนี่ยเออไปอยู่กักตุกวันหรือเจดวันจังไม่ไดนะ้แต่ว่ามีเพื่อนคนป่วยแล้วเราไปสอบสุดเราก็ไปดูแลอะ่ะว่าเขาไม่สบายแล้วเขามากับเราอย่างเงี้ยไม่ให้ส่วนเออเราก็สุดเยอะไปไหมไอะไรเงี้ <laughs> <laughs> ยก็เลยไปครั้งเดียวไม่ได้ไปอีกเลยเดินว <laughs> ิธีการเราต้องสมัครหาเองแล้วฟังจากครูบาอาจารย์แล้วลองไปทําดู อะไรที่มันทําให้เรามีความรู้สึกตัวได้กันวิธี น, นะ้นอาจจะไม่เหมือนกันหรอกการมรรูุ้ธรรมก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบเรื่องละเอียดลมละเอียดกล้าลมหาใจบางคนชอบแบบยับยับแบบเข้าใจง่ายแบบยาบยแบบอะไรธรรมชาติธรรมชาติก็เคลื่อนไหวบางคนชอบสมา ธ, ธิมากๆก็เพ่งกล้าเป็นคนกล้า เลยหยุด น, นอของนอเปับพื้นตายมาจากสมาธิของพมา่าก็เป็นพื้นฐานของการมีสมาธิมากแล้วก็มันจะมีข้อเส้นติดอยู่ตรงสมาธิจะอยู่ตรงความสงบคือหลวง่อเตียนบ่กไม่ไม่อยากให้ไปทำสมาธิเพราะกลัวไปติดที่ความสงบแล้วมันสบายแล้วขี้เกียจหลวงพ่อเทียนบอกออกมาออกมาเคลื่อนไหวออกมาเคลื่อนไหว จะไปติดอยู่ในถ้ำหออว ะ, ะ, ะ, ะกลัวมากบากติดสมาธิแล้วออกยากออกยากเวลาโกรธก็โกรธนานออกจากความโกรธก็ยากด้วยมันมีผลเสียกับการชีวิตปัจจุบันเราวัตถุยาไม่ค่อยทำนชา